1. บุคคลถึงความบริสุทธิ์ด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าสอนมาบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยสมาธิสมาธิไม่ได้ทำให้ถึงความบริสุทธิ์แต่ทำให้ถึงความสงบ